คนหนึ่งมาหาพร้อมกับภาภรรยามาด้วยโดมก็อายุมากแล้วนะ7จสิบกว่าละแล้ ว, ลว ก, ก็บอกว่าได้ฟังคำบรรย์ญญของตารมาเรียกว่าทุกวันเลยแล้วก็ฟังมานานแล้วด้วยโดยดูทางยนะู u ูบเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับหลายคนที่ มหาตามาเนี่ยกำมังจะพูดว่าหนู่งเฟังคำบรรยายทางยูทูบบ้างทางโทรทัศน์บ้างเป็นประจําบางทีก็บอกว่าเนี่ยฟังทุกวันเลยแต่โยวันนี้เนี่ยจะต้องการยืนยั น, นว่าที่เขพูดเนี่ยจริงนะฟังจริงๆนะฟังทุกวันฟังเป็นประจําก็เลยบอกตามาว่าเนี่ยลองถาม ลองถามผมเลยนะเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยผมจะสามารถจะตอบได้หมดหมายถึงว่าถ้าจะมาถามเรื่องที่เคยบรรยายไปแล้วเรื่องอะไรเนี่ยแกก็สามารถจะตอบได้ขยายความได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเนี่ยฟังจริงๆนะฟังบ่อยๆฟังเป็นประจำบางเรื่องก็ฟังมาแล้วหลายเที่ยวก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยถ้าแตมาถามแก่เรื่องอะไรที่เคยพูดเคยบรรยายเดี๋ยวก็สามารถจะตอบตอบหรือต่อได้หมด ที่จริงอะตมาก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะว่าจะจดจำคำบรรยอกตมาได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ทดสอบนะว่าที่โยมันนี้พูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะหรือว่าจำได้อ่านะ ทุกเรื่องจะมาพูดหรือเปล่าไม่ได้ทดสอบเพราะว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญการทมาเนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจดการจำสิ่งที่น่าสนใจกว่าหรื่งที่สำคัญกว่าคือว่าฟังแล้วไปปฏิบัติหรือเปล่านะอันนี้มันสำคัญกว่าแล้วก็เท่าที่พมนี่ จำนวนไม่น้อยเลยนะฟังเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติสังเกตได้จากสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการแก้ทุกข์การจัดการกับสิ่งที่มากระทบโดยเพราะสิ่งที่เป็นอนิจฐานลมที่ ใจร้อนก็ยังใจร้อนเหมือนเดิมเพียงเกีงหงงิดก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็เนะีเจอมาหลายคนเจอมาบ่อยๆหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยพอมีปัญหาพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็มาถามเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ําๆที่อาตมาเคยพูดไปแล้วเร่อกล่วว่าไม่เคยได้ฟัง นะคำแนะนำอาตมาเลยจริงๆคงได้ฟังกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้แปะปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติเนี่ยพอมีความทุกข์ขึ้นมาหรือพอมีอะไรมากระทบ ก, ก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ทุกข์อย่างไรนึกไม่ออกนะหรือถึงนึกออกก็ทำไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ปฏิบัติ ใเรื่องการรู้ธรรมะมากเนี่ยมันมันมีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันไม่สําคัญเท่ากับการปฏิบัติชาวบ้านเนี่ยหรือคนไทยสมัยก่อนเนี่ยก็รู้ไม่เยอะนะส่วนหนึ่งเพราะว่าหนังสือตำรับตำรามันมีน้อยแล้วพระที่ท่านสอนท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากส่วนใหญ่ก็เอ า, าเรื่องราวในชาดกมาเล่าให้ฟัง ไอ้ที่เป็นธรรมะล้วนๆหรือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักการนะตามตำราก็ไม่ค่อยได้มาพูดเท่าไหร่แต่ว่าแม่จะรู้ไม่มากนะแต่ว่าพอมีปัญหาชีวิตก็สามารถจัดการกับมันได้เพราะรู้แค่ไม่กี่เรื่องนะนรู้ว่าอาะไรแก็ไม่เที่ยง แค่รู้หลักอ น, นิจจังเรื่องเดียวนี้แล้วก็นำไปย้ำซ้ำย้ำเตือนตัวเวาบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมันกลายเป็นมุมมองเป็นเรียกว่าสมัยนี้เรียกว่า Mindset มันก็ทำให้เวลาเจออะไรที่มันมากระทบ เจอความ ผ, ลผล่อนวนป่วนแปรก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรแม้กระทั่งเวลาเจอความสูญเสียของคนที่รักก็ก็ทำใจได้เร็วอันนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่รู้นะแต่ไปปฏิบัติหรือว่าเฝ้าสังเกตจากปรากฏการณ์ความเป็นจริงของชีวิต จนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่แนบแน่นอยู่ในจิตใจเพียงแค่หลักอนิจจังข้อเดียวนี่ก็ทำให้เขารู้จักปล่อยวางกับเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายในขณะที่คนปัจจุบันนี่รู้เยอะนะพอได้ยินได้ฟังมามากหนังสือก็มีมากมายเดี๋ยวหนังสือธรร ม, มะมีหาง่ายพระไต่บิตก ก็หาง่ายไม่ใช่เพราะราคาถูกอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าสามารถที่จะบรรจุอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่แค่ปฏิปดกนะยังฟังธรรมฟังคำบรรยายของครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายแต่ว่าพอเจอความทุกข์ นะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดผ่านจากสิ่งที่รักที่พอใจก็ไปไม่เป็นนะก็อย่างเศร้าโศกเสียใจก็ยังโมโหยังขับแค้นอันนี้เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติรู้มากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวนะอยู่ในจิตใจยิ่งในสวัยพุทธกาลนี้ก็มี หลายท่านนะที่มีความรู้ทางธรรมมากจดจำได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นะของหมู่สงฆนะ์เนี่ยเพราะว่าบางท่านที่พอรู้มากก็เกิดความหลงตัวลืมตนหลงตัวลืมตนว่าตัวเองเก่ง ก็เลยไปข่มผู้อื่นอย่างเช่นในแบบพุทธการก็มีท่านหนึ่งที่มีชื่อมากนะตุดโฌโปทิละตุโชโฉโปทิละเป็นถึงขั้นครูบาอาจารย์มีธรรมะรู้ธรรมะเยอะแต่ว่าชอบไปข่มคนอื่นรวมยังไปอวดภูมิรู้ของหลายท่านพอเขาตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกต้องก็ ต่อว่าเขาข่มเขาจนผู้คนเกรงกลัวแต่ตอนหลังก็ถูกกำราบโดยพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพูะเจ้านี่ไม่ได้ให้ค่ากับอ า, อาจารย์ท่านนี้เท่าไหร่เวลาท่านตุโชนี่มากราบพระเจ้าท่านบอกว่าพูะเจ้าก็ตอออกมาแล้วเหรอท่านใบลานเปล่า ไม่ได้เรียกชื่อตุตโชพติลานแต่เรียกว่าท่านใบาลานเปล่าพอท่านลากลับก็พระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยจะกลับแล้วเหลือท่านใบาลานเปล่าก็ทําให้ตุตโชนี่เกิดความฉุกคิดขึ้นมานึกว่าพระเจ้าจะสรรเสริญแต่พระเจ้าเนีกลับไม่ให้ค่าเท่าไหร่เลยเพราะว่ารู้มากกวจริงแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัต ในการรู้หรือการทรงจำธรรมะมากๆนี่หรือแม้กรทังการศึกษาธรรมเนี่ยโดยเฉพาะในทางปริยัติเนี่ยผู้เจ้าเคยเปรียบนะเหมือนกับการจับงูพิษนะในความรู้ทางธรรมเนี่ยหรือความรู้ทางปริตริทธรรมนี่บางครั้งผู้เจ้าก็เปรียบมันกอสสารพิษผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยถ้าจับอสสารพิษไม่ถูกก็ถูกมันกัด อสารพิษนั้นถ้าไม่เปรียบเมืนกับเงินทองเท่านั้นนะบางทีเราจะยินว่าในพระเจ้าเปรียบเงินว่าเหมือนอสารพิษอันนี้นก็เห็นได้ง่ายอยู่นะแต่บางทีพระเจ้าก็เปรียบว่าการศึกษาธรรมเนื่องาะที่เป็นประจิตธรรมเนี่ยมันก็เหมือนการจับงูพิษจับผิดจับพลาดจับไม่เป็นก็ถูกมันกัดหมายความว่าเกิดโทษเกิดตัวกับตัวเจ้าของ เช่นอะไรนะช่นเความหลงตัวลืมตนนะว่ากูเก่งชั้นแน่นชอบไปข่มผู้อื่นอย่างท่านตุโชปติล่านี่ชอบไปข่มใครต่อใครจนเขา ก, กลัวกันหมดแต่ต่อหลังก็โดนเนรนปราบพยศนะเพราะว่าเนรนี่นลดทิฏฐิมานะของท่านโดยการสั่งให้ทำหลายหลายอย่างดูว่าจะ ยอมเชื่อฟังไหมไหนๆจะมาขอท่านเป็นอาจารย์เนยเนี่เป็นพระหันนะจะมาขอให้เนเป็นอาจารย์ท่านก็ทดสอบว่ามียังมีทิฏฐิมานะไหมก็ให้ลงไปลุยน้ําสั่งให้ไปลุยน้ํท่านดโชนี่อายุมากเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เคยเคารพนับถือและเกรงกลัวแต่ว่าเกิดสํานึกผิดขึ้นมา ก็ยอมทำตามนะเนนก็เลยรับเป็นลูกศิษย์แล้วก็สอนจกนกระทั่งท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอันนี้เพราะว่าลดทิฏฐิมานะแล้วก็พร้อมที่จะป ฏ, นะจปฏิบัติการปฏิบัติก็ก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลานะกินเลสลดอัตตาหรือลดมานะ ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะกับคนที่รู้มากเรียนมากหรือว่าฟังมามากนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติบางทีก็เอาความรู้ที่มีเพื่อแสวงหาลาบสักการะอันนี้ก็เปลี่ยนมันก็เอาสารพิษอีกแบบหนึงนะ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อสนองอัตตาหรือมานะแต่สนอง โลภะหรือราคะกิเลสอันนี้ก็เป็นหลุมพรางนะของคนที่รู้มากเรียนมากอนนี้พอพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าว่าฟังแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วแต่เวลาพูดถึงการปฏิบัติหลายคนก็กลัวนะ กลัวว่าเพราะว่ามันสุดยากหรือว่าทำแล้วก็พอไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ก็เลยท้อจริงการปฏิบัติมันเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกนะโดยเพราะถ้าหากว่าจับหลักได้ถ้าเป็นการฝึกจิตเนี่ย สิ่งสำคัญเนี่ยคือการมีสติมีความรู้สึกตัวสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของศีลแล้วก็รักษาศีลไว้ดีแต่ก็ยังมีความทุกข์ก็ต้องรู้จักภาวนาฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่แค่มีสมาธิแต่ต้องมีสติ สติปัฏฐานยังเป็นหัวใจกรรมฐานเลยทีเดียวเนี่อย่างที่เคยพูดไ้ ไ, ไปแล้วเนี่ยเคยมีการประชุมกันของพระสังฆธิการทั่วประเทศเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระราชานะชั้นสูงเคยพูดกันนะว่าเนี่ยอะไรคือหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้เมื่อวานสักเ0็0ปปีก่อนเคยมีการประชุมกันเรื่องนี้ตกลงกันไม่ได้นจนกระทั่ง อาจารย์สิงห์คันตยาคโมเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นสาหายธรรมของหลวงปู่มั่นในที่จริงก็เป็นลูกศิษย์ด้วยท่านไม่ได้รับเชิญนะแต่ว่าไปด้วยความบังเอิญถ้าก็เสนอพูดขึ้นมาเลยเนะี่ยสตินั่นแหละคือหัวใจของพุทธศาสนาของการปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวแต่พอพูดถึงสตินี่หลายคนก็กงงนะ มีคนหนึ่งมาถามพระรมาว่าเนี่ยอยากจะฟังคำแนะนำของการปฏิบัติพระธรรมาก็บอกไปสั้นๆแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันสนิอย่ามัวแต่ปล่อยใจหลายไปดีลอยไปอนาคตเวลาทำอะไรก็ทำด้วยความสึกตัวทำอย่างมีสติ ทำด้วยใจเต็มร้อยก็ถามว่าทำยังไงเราก็บอกมีสติสติมันช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ถามว่าสติคืออะไรอันนี้ก็ตอบยากแล้วเพราะว่าพอพูดอะไรไปมันก็กลายเป็นความคิด หรือว่าคนที่หนักไปทางความคิดเนี่ยแต่จริงเนี่ยสติมันก็มีอยู่แล้วกับทุกคน เ, นเพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านั่นคือสติทั้งที่ใช้สติอยู่ประจําเพราะสตหิหน้าที่หนึ่งคือความระลึกได้ระลึกได้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตระลึกได้ถึงความรู้ที่ได้รำเรียนมานจดจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้จดจําวันเกิด วิสหายได้นี่นั่นแหละก็คือเป็นงานของสติแต่ว่าสติมันไม่ใช่แค่เราลึกได้ในเรื่องอดีตมันยังลืลึกได้ว่ากาลังทาอะไรในปัจจุบันด้วยเวลาเราเผลอใจลอยคิดไปน่ยคิดไปนี่อยู่ดีๆเนี่ยก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าหรือนึกขึ้นมาได้ว่ากาลังทาอะไรอยู่กำลังขับรถอยู่กำลังกินข้าวอยู่ กำลังคุยกับหรือกำลังฟังหลานเล่านั่นแหละคือสติซึ่งทุกคนก็มีโมเมนต์นี้โมเมนต์ที่หรือชั่วขณะที่ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูฟังคำบรรยายใน YouTube แต่ละใจก็ลอยไปนึกถึงงานแล้วมันนึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากำลังฟังคำบรรยายอยู่ นั่นแหละคือสติเป็นสติทเรียกว่าสัมมาสติคือทำให้เราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันมันก็เป็นตัวทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับปัจจุบันและสติมันยังทำมากกว่า น, นั้นนะมันทำให้เรารู้นะหรือรู้ทันนะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น จะเรียกว่าเห็นก็ได้ตรงนี้หละที่ท่านเปรียบว่าสติเหมือนตาในคนเรามีตาเนื้อนะเอาไว้มองสิ่งภายนอกไม่ใช่เพื่อแค่หาอาหารอย่างเดียวแต่เพื่อหลบหลีกอันตรายเรามีไอ้ตนะาเพื่อรับมือหรือเพื่อรับรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะได้ ลีกเลี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกนะลิ้นดูน้ํากายสัมผัสเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องมือนะในการที่ทำให้เรารู้ว่ากาลังเจออันตรายอยู่และรู้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะหลบหลีกอันตรายได้หลบหลีกอันตรายด้วยการวิ่งหนีนะพอเห็นงูหรือเห็นไฟนะ กลางลามเลอดเข้ามาก็หนีเลยนะแล้วมันหนีแบบไม่คิดชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันมีการสูบฉีดนะโลหิตที่ทำให้กล้ามเนื้อนี่ทำงานได้รดวดเร็วฉับพันมีเรืองมีแรงอย่างที่ไม่เคยมาก่อนทำให้ตาไวหูไวมากขึ้นนะหรือไม่ก็สูบฉีดเพื่อสู้กับ อันตรายที่มาถ้าเรามีไอนตนะทั้ง5เนี่ยเพื่อรับรู้อันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงอันตรายทำให้ปลอดภัยแต่อันตรายมันก็ไม่ได้มีแต่สิ่งนอกตัวนะอันตรายมันมันยังอยู่หรือเกิดขึ้นในใจของเราด้วยเช่นความโกรธความเครียด ความขับแค้นพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไรและเรารับมือกับมันไม่เป็นมันก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความเออกินเดความทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับในบางทีก็ถึงกับผลักดันให้คนคนนั้นเนี่ยทำร้ายตัวเองมันเป็นความมันเป็นอันตรายที่ น่ากลัวมากเพราะว่ามันสามารถทำให้คนป่วยด้วยโรคหัวใจขาดใจตายหรือว่าค่าตัวตายแต่ก็มนุษย์เราก็มีธรรมชาตินะที่คอยช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายที่ว่านี่ธรรมชาติที่ว่านี่ก็คือ สตินั่นแหละสติมันไม่ใช่ช่วยทำให้เราลึกได้ในเรื่องอดีตปัจจุบันแต่มันทำให้เราตรนหนักรู้ถึงอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นในใจและไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะหรือไม่ได้ทำหน้าที่รู้แต่ยังช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากอันตรายที่ว่าหรือเจอ้าผู้นั้นก็คือว่าทาให้ รับมือกับอันตรายไม่ให้อันตรายนั้นเข้ามาเล่นงานจิตใจได้สึ่งมีชีวิตทุกชนิดนะก็ล้วนแต่มีกลไกลในการที่จะรับมืออันตรายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่สิงสารสัตว์อย่างเดียวแม้กระทงต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็มีวิธีรับมือนะดูเหมือนว่ามันอยู่นิ่งๆเนี่ยอย่างเช่นต้นไม้บางต้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เนี่ยมากินใบไม้ของมันเนี่ ย, ยมันจะมีมะแมลงมันจะมีมดเนี่ยที่อาศัยต้นไม้แเนี่ยกรูกรกันออกมาเพื่อมากัดเพื่อมาทำลายสัตว์ตัวนั้นอาจจะเป็นวัวอาจจะเป็นยีราฟนะอาจจะเป็นลิง เพื่อให้มันล่าถอยไปอันนี้เป็นกลไกนะที่อาศัยอาศัยมดเนี่ยที่มาทำรังในต้นไม้่เวลามันมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับต้นไม้นี่มดพวกนี้มันรู้เลยมันก็ออกมากรวออกมาไล่ออกมากัดพวกสัตว์ที่มากิน ใบไม้ของต้นไม้ที่มันอาศัยแต่กาไกบางอย่างมันก็ลึกซึ้งนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็พึงค้นพบนั่นเองอย่างบางทีศัตรูของต้นไม้มันไม่ใช่พวกวัวควายหรือสัตว์กินหญ้านะหรือกินใบไม้นะจะเป็นเพลี้ยเนี่ยโอ้เพลี้ยนี่มันน่ากลัวมาก แต่ต้นไม้นี่หลายชนิดเลยนะพอมีเพลี้ยมากัดกินน้ำเลี้ยงของมันเนี่ยมันจะรู้เลยแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณเป็นสารเคมีไม่ใช่ทางอากาศเดียวนะแต่ทางรากทางใต้ดินเพื่อไปเรียกให้ตัวต่อนี่มาเล่นงานเพลี้ยนต่อนี่พอมันได้ ได้สัญญาณเป็นกลิ่นสารเคมีนี่มันมาเลยนะแล้วมันก็มาจากการกับเพลียได้อาหารทำให้อิ่มท้องส่วนต้นไม้ก็ปลอดภัยมันนึกดูใจแล้วก็มันก็มีการทำงานคล้ายๆกันนะเวลามันมีความโกรธความเครียดนะความทุกข์เกิดขึ้นในใจเนี่ย มันจะมีการเรียกสตินะสติเนี่ยจะถูกเรียกใช้นะเพื่อมารับมือกับอารมณ์เหล่านี้สติมาเร็วเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะป้องกันจิตใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้นี่เข้ามาเล่นงานไม่ว่าจะเป็นการเผาลนจิตใจหรือกรีดแทงใจบางทีเราก็เรียบการทวงานสติเนี่ยว่า สติที่ไวเนี่ยมันก็เหมือนกับสัญญาณที่สัญญาณกันเพลิงไหม้เนี่ยถ้ามันละเอียดพอมันไวพอเนเพียงแค่มีควันเบาบางบางบงเบ า, บาในห้องเนี่ยมันก็รู้ลวสัญญานี่มันก็สัญญาณมันก็จะทำงานทัน ท, ทีตัวเซ็นเซอร์จะทำงานทันที ก็ทำให้มีน้ำเนี่ยพุ่งออกมาเพื่อที่จะดับต้นต่อของควันหรือต้นต่อของเปลวไฟใจแล้วก็เหมือนกันนะมันก็มี ก, กลไกในการที่จะรับมือความทุกข์ในจิตใจแต่มันไม่ใช่ว่าทำงานคนละส่วนนะสติที่มันทำงานควบไปเลยนะคือมันเป็นทั้งเซนเซอร์ด้วยมันรู้เลยนะ มันรู้ว่ามีอารมณ์อกุศลมันมีร่วมมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่ร่วงเดียวนะมันเข้ามาจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ไปจัดการเป็นการจัดการไม่ใช่ไปบี้อารมณ์เหล่านั้นนะแต่เป็นการฉุดดึงจิตให้ออกจากอารมณ์เหล่านั้นหรือทําให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะครอบงําจิตได้เมื่มันทํางานควบไปเลยนะทำหน้าที่เป็นทั้งตาในหรือตัวรู้ รู้ทันภัยที่เกิดขึ้นในใจแล้วขณะเดียวกัใ น, ใน ก, ก็ปกป้องจิตหรือว่ารับมือกับอารมณ์เหล่านั้นจนทำให้จิตนี้ปลอดภยัยและเราก็สามารถที่จะทำให้สติมันทำงานได้เร็วนะด้วยการฝึกสติอยู่เสมอรวมทั้งด้วยการทำความรู้สึกความรู้สึกทางกายเนี่ย โดยการยกมือโดยการเดินจงกรมเนี่ยความรู้สึกทางกายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคล้ายๆเรียกสติให้ทำงานได้ไหวขึ้นเหมือนกับพอมีแรงสั่นสะเทือนในต้นไม้นี่มดนี่มันก็กลัวมาจัดการกับศัต ร, ตรูของต้นไม้นะหรือเหมือนกับพอมีเพลี้ยเข้ามาลังควาต้นไม้มันก็จะมีสัญญาณที่เป็นกลิ่นนะ ไปเรียกแต่เนี่ยกับแต่เนี่ยมาเล่นงานไอ้ตัวเพลียเหล่านั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะหรือความรู้สึกทางกายเวลาเราเขย่งขยับมือหรือว่ากําลังทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทําจนคุ้นเคยใช้เป็นนะมันจะเป็นตัวเรียกสติให้กลับมาได้ไวอย่างคนที่เดินจงกรมบ่อยๆเนี่ยหรือขยับมือบ่อยๆเนี่ย เวลาใจลอยขึ้นมาสักพักความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะไปเรียกจิตให้มันกลับมาหรือไปเรียกสติให้มันกลับมาเพื่อที่จะดึงจิตออกจากความหลงออกจากความทุกข์ออกจากความเครียดกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนือ้อ ร, รู้ตัวขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ถ้าหากว่า ได้ทดลองปฏิบัติทำํำบ่อยๆมันก็จะสติจะกลับมาไวสติก็จะรู้ได้เร็วแล้วก็พาจิตนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เข้าใจเพียงแค่สติรู้ทันความที่ละอารมณ์เพื่แค่นี้ก็งงกันละนะแล้วนะคนที่ฟังแต่ธรรมะแต่ว่าไม่ปฏิบัติเนี่ย มันก็จะมีคําถามว่าสติคืออะไรสติทํางานอย่างไรสติสําคัญอย่างไรแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยมันจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้สติทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้จิตเนี่ยมีมีเครื่องรักษามีสิ่งดูแลให้ปลอดภัยได้